จึงมาที่วัดเพื่อมาเสริมสร้างที่พึ่งให้กับชีวิตของตนเองเพราะชีวิตถ้าขาดที่พึ่งแล้วย่อมไม่สามารถดําเนินอยู่ต่อไปได้ mm hmm. การเสริมสร้างที่พึ่งให้กับชีวิตของตนเองจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นหน้าที่ของคนทุกๆคนที่พึ่งของชีวิตเหล่านั้นก็มีอยู่สอง ส่วนด้วยกันคือที่พึ่งทางกายและที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายก็ได้แก่ปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่หงห่มยารักษาโรคส่วนที่พึ่งทางใจก็คือพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเกล่าวถึงอยู่เสมอว่า พุทธังธรรมังสังขังสารนังกัจฉามิเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานี่คือที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือส่วนที่อยู่ภายนอกและส่วนที่อยู่ภายในใจส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือ พระพุทธรูปต่างๆที่เรากราบไหว้บูชาหนังสือธรรมะต่างๆที่เราเอามาอ่านพระอริยสงฆ์ก็คือพระปฏิสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายที่พระเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรากราบไหว้บูชาเหล่านี้เรียกว่าเป็นสวรณ ะ, ะภายนอก สาระทั้งสามนี้ที่อยู่ภายนอกยังไม่เป็นสาระที่แท้จริงสาระที่แท้จริงนั้นต้องเป็นสาระภายในคือพุทธธรรมสังขารเรียบเหมือนกับยายาที่ยังไม่ได้รับประทานก็เป็นเหมือนกับยาที่ยังไม่มีประโยชน์นั่นเองถึงแม้จะมีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลอย่างไร ถ้าเรายังไม่ได้หยิบรับประทานเข้เอาเข้าสู่ร่างกายยานั้นก็ยังไม่มีประโยชน์กับร่างกายของเราจนกว่าเราจะนำยานั้นมารับประทานเข้าไปสู่ร่างกายของเราแล้วยานั้นจึงจะทำหน้าที่ทำประโยชน์คือรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายของเราให้หมดไปได้ สาระที่พึ่งทางใจก็เป็นในลักษณะเดียวกันถ้ายังอยู่ข้างนอกอยู่แล้วยังไม่ได้เข้าสู่ใจเราสาระนั้นก็ยังไม่มีประโยชน์ดังนั้นการที่เรามีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้มีหนังสือธรรมะไว้อ่านมีพระสงฆ์องค์เจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหว้กราบไหว้บูชาก็ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริง จนกว่าเราจะน้อมเอาท่านทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่ใจของเราด้วยการปฏิบัติกายวาจาใจไปตามแบบฉบับที่ท่านเหล่านี้ได้ปฏิบัติมาแล้วได้นำมาสั่งสอนให้กับพวกเราเช่นท่านได้ทําความดีทั้งหลายให้ถึงความแล้วพวกเราก็ต้อง ปฏิบัติทำความดีให้ถึงพร้อมท่านได้ละบาปทั้งหมดแล้วเราก็ต้องละบาปทั้งหมดให้ได้ท่านได้ชาระจิตใจของท่านจนสะอาดหมดจดแล้วเราก็ต้องชาระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดด้วยถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเราก็ยังไม่เข้าถึงสรณะคือพุทธธรรมสังข์ แต่ถ้าเราน้อมเอาสิ่งที่ท่านสั่งสอนและวิธีการที่ท่านได้ดำเนินชีวิตของท่านมาเอามาเป็นเยี่ยงอย่างเอามาปฏิบัติกับ ก, บกายวาจาใจของเรามาทำความดีทั้งหลายให้ถึงพรอมมาละการกระทาบาปทั้งหลายและมาชาระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดคือละความโลภความโกรธความหลง ถ้าเราทำได้ไปตามลำดับแล้วสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาภายในใจก็คือธรรมะที่เราจะสามารถบรรลุได้ตามขั้นต่างๆเมื่อเราได้บรรลุเห็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าและเราก็จะเห็นพระอริยสงสาวกเพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ที่จะเห็นตถาคตเห็นธรรมได้นั้นต้องเป็นสุปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบถ้วนทุกประการ เช่นท่านสอนให้เราทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมเราก็ต้องทำความดีทั้งหลายทั้งหลายให้ถึงพร้อมท่านสอนให้เราละบาปทั้งหลายเราก็ต้องละบาปทั้งหลายท่านสอนให้เราชำระจิตใจด้วยการลดละกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเราก็ต้องชำระ ความโลภความโกรธความหลงให้มันหมดสิ้นไปจากจิตจากใจถ้าเราสามารถทำเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมามีเมื่อเราเห็นเห็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นพุท ธ, ธะคือผู้รู้ซึ่งมีอยู่ในใจของเรานี้แล้วเราก็จะเห็นสังขะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่มีอยู่ในใจนี้เช่นเดียวกันถ้าเราได้เข้าถึงพุทธธรรมสังขะภายในใจแล้วก็เท่ากับเราได้ถึงสาระอย่างแท้จริงเพราะผู้ที่มีพุทธธรรมสังขะอยู่ในจิตในใจแล้วย่อมไม่กระทำการอันใดที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียให้กับตนเองนั่นเองมีแต่จะปฏิบัติ ทำแต่สิ่งที่ดีที่งามอันปัญเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงดังนั้นการที่เรามีพระไว้กราบไหว้บูชาหรือไว้ห้อยที่คอของเรานั้นถ้ามีไหว้กราบไหว้เฉยๆมีไว้ห้อยคอเฉยๆยังถือว่าไม่ถูกต้องคือยังไม่เป็นสาระ พระพุทธที่เรามีกราบไหว้แล้วมีไหว้ห้อยคอนั้นมีไว้สำหรับเป็นการเตือนสติคือให้เราละเลิกถึงพุทธานุสติให้ละเลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ละเลิกถึงพธธระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ละเลึกถึงพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าเมื่อเราละ เ, เลิกถึงท่านเหล่านี้แล้วเราจะได้ทราบถึง เกียรติประวัติอันดีงามของท่านว่าท่านได้ดำเนินชีวิตของท่านมาอย่างไรเมื่อเราเห็นท่านดำเนินชีวิตมาด้วยความดีงามจนท่านสามารถยกชีวิตของท่านนั้นให้หลุดพ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเราก็จะมีศรัทธาที่จะปฏิบัติ ตามเยี่ยงอย่างที่ท่านได้บังเพ็ญมาเมื่อเราเริ่มปฏิบัติแล้วเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่ดีที่งามปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราเห็นความสุขความเจริญของจิตใจค่อยปรากฏขึ้นมาตามลำดับแห่งการปฏิบัติเมื่อเราเห็นความสุขและความเจริญที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจของเราแล้วเราก็จะมีฉันทะ คือความยินดีที่จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติประกอบคุณงามความดีต่อไปให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเรามีฉันทะแล้วเราก็จะมีวิริยะคือความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรมีความอดทนอดกลั้นที่จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามเยี่ยมอย่างของพระพุทธเจ้า และของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายถึงแม้ว่าบุคคลอื่นที่เราเห็นที่เรารู้จักเขาจะไม่สนใจเขาจะไม่ปฏิบัติเขาก็จะไม่สามารถมาล้มล้างความตั้งใจอันแน่วแน่ของเราที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามได้คนอื่นเขาจะทำตัวของเขาเองไปในทางที่ไม่ดี แล้วเขาได้ดิบได้ดีในเรื่องราวต่างๆเราก็จะไม่หลงตามเขาเพราะเรารู้ว่าการกระทำความไม่ดีนั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องนำมาซึ่งความเสื่อมเสียอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเวลาที่มันจะเกิดขึ้นนั้นยังอาจจะไม่ใช่เป็นเวลานี้ก็ได้แต่ความจริงแล้วในจิตใจของเขานั้นได้เสื่อมลงไปแล้ว ได้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเขาแล้วเราจึงไม่หวั่นไหวเราจึงไม่ย่อท้อเวลาเราทำความดีแล้วคนอื่นเขาไม่ปฏิบัติตามความดีด้วย mm hmm. เช่นสมมติเราขับรถมาถึงสี่แยกไฟแดงเราเห็นไฟแดงเราก็เจาะรถของเรารอให้ไฟเขียวแล้วเราจึงค่อยไปแต่มีรถบางคันเข้า เห็นไฟแดงแต่ก็เห็นว่าไม่มีรถวิ่งมาอีกทางหนึ่งเขาก็วิ่งฝ่าไฟแดงไปเขาไม่กับรถเขาไม่คารถในคารบในกฎจราจรเขาอาจจะวิ่งฝ่าไฟแดงไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาก็ได้แต่เพอเพอสักวันหนึ่งเกิดเขาทําไปจนติดนิสัย แล้วเกิดวันดีคืนดีเขามองไม่รอบครอคิดว่าไม่มีรถวิ่งมาแล้วยังวิ่งฝ่าไฟแดงไปอีกก็ต้องถูกรถชนเอาจนได้สักวันหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านมาหรือคอยดูคอยดูแลอยู่ก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปเสียค่าปรับนี่เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน ไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของบุคคลนั้นแล้วก็คือนิ ส, สัยที่ไม่ดีนั่นเองมันก็จะติดตัวไปกับเขาเป็นคนที่จะไม่เคารพกฎเคารพกติกาจะอยู่ที่ไหนก็มักจะไปทําในสิ่งที่ผิดกฎผิดกติกาแล้วก็จะกลายเป็นคนที่สังคมเขารังเกียด ไม่มีใครเขาต้องการที่จะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือเรื่องของผู้ที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษว่าเป็นอย่างไรแต่เราผู้ที่มีการศึกษาที่ดีคือเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอท่านสมสอนให้เรามีความเคารพ ในกฎกติกาการกระทำอะไรของเรานั้นต้องอยู่ในกรอบของความดีงามไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วถึงแม้คนอื่นเขาจะไปกระทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามเพื่อเขาจะได้รับผลประโยชน์นั้นเราก็จะไม่ทำตามเขา เพราะเราเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองว่าเราต้องทําความดีเราต้องละการกระทําความชั่วทั้งหลายเราต้องกําจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราให้เบาบางและให้มันหมดไปจนให้ได้เพราะถ้าเราสามารถปฏิบัติทั้งสามข้อนี้ได้แล้ว สิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวุคทั้งหลายก็ดีได้รับนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รับเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องราวที่เราควรที่จะให้ความสำคัญพยายามหันเข้ามาสร้างที่พึ่งทางจิตใจให้ได้เพราะถ้าเรามีที่พึ่งทางจิตใจแล้ว จิตใจของเราจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับจิตใจของเราไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยดูแลคอยปกป้องจิตใจของเรานั่นเองเช่นเวลาเราเห็นอะไรหรือได้ยินอะไร ที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจใจของเราก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาเพราะเราได้ชำระความโกรธแล้วด้วยความเมตตาหรือด้วยปัญญาความเมตตาก็คือเราให้อภัยผู้ที่เขากระทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราไม่ไปถือโทษกดเครืองไม่ไปอาฆาตพยาบาทไม่มีความเครียดแค้นกับเขา เพราะเรารู้ว่าความอาฆาตพยาบาทความโกรธแค้นโกรธเคืองนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองมันเป็นไฟเผาจิตใจของเราถ้าเราไปโกรธไปแค้นไปเกลียดชังใครเข้าก็เท่ากับจุดจุดไฟเผาตัวเราเองนั่นเองคนจราดจึงไม่จุดไฟเผาตัวเองถ้ามีไฟลุกขึ้นมากําลังเผาตัวเองก็ต้องรีบหาน้ำมาดับ ไม่ได้ปล่อยให้มันลุกไหม้ขึ้นไปอีกโดยที่ไม่มีการระงับดับมันนะการให้อภัยการไม่จองเวรจองกรรมกันนี่แหละคือการเอาน้ำมาดับไฟนรกที่เกิดขึ้นในใจที่เกิดจากความโกรธความอาฆาตพยาบาทนี่เรียกว่าเป็นความเมตตา พยายามหัดเจริญเมตตาข้อนี้ไว้ให้มากๆคืออย่าไปมีเวรมีกรรมกับใครเพราะเมื่อมีเวรมีกรรมแล้วมันตามข้ามภพข้ามชาติไปไม่รู้จักจบจากสิน้นตายจากกันชาินี้แล้วชาติหน้าไปเจอกันอีกก็ต้องมีเวรมีกรรมกันอีกเราสังเกตดูคนบางคนเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย แต่พอเห็นหน้าเห็นตาขึ้นมาแล้วเกิดมีความรู้สึกเกียดชังขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ใจของเราลึกๆนั้นมันรู้แล้วว่าเป็นเวรกันมามันจึงมีความรู้สึกไม่ชอบหน้าขี้ตากันนี่แหละคือเรื่องของเวรของกรรมมันฝังลึกอยู่ในจิตในใจไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเป็นใคร ว่าเคยทําอะไรกันมาในอดีตแต่พอมันเห็นกันปั๊บมันก็จะเข้าถึงกันเลยในเรื่องของเวรของกรรมดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะจองเวรจองกรรมกันแต่ควรที่จะเลิกจองเวรจองกรรมกันทําอะไรต่อกันแล้วผิดพลาดก็จงให้อภัยกันเสียเพราะเมื่อเราให้อภัยแล้วทุกอย่างมันก็จบลงนะครับ ถึงแม้ว่าเขายังไม่ยอมหยุดแต่เราหยุดซะก่อนแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรตบมือนั่นต้องตบสองข้างมันถึงจะดังทะเลาะกันต้องทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายมันถึงจะทะเลาะกันสนุกถ้าฝ่ายหนึ่งทะเลาะอีกฝ่ายหนึ่งนั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็หยุดไปเองเหมือนกับคนที่พูดกับกําแพงพูดไปด่ากําแพงไปจนมันตาย เดี๋ยวคนพูดมันก็เหนื่อยเองมันก็หยุดไปเองชั้นใดการทะเละวิวาสมันก็จะมีการตอไปถ้ามีการตอบโต้กันแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ตอบโต้แล้วเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยุติไปโดยปริยายเพราะพูดไปก็เหมือนกับพูดกับผาผนังพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะผู้ฟังนั้นก็มีแต่ให้อภัยมีแต่นั่งยิ้มอยู่ภายในใจอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือทำไมเราจะต้องมาเต้นแรงเต้นกาเวลาใครเขาพูดอะไรไม่ถูกอกถูกใจเราก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีที่พึ่งนั่นเองเรายังขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือเรายังขาดพระอยู่ในใจของเรา ถ้าเรามีพระแล้วเราจะต้องรู้จักคำว่าแพ้เป็นอย่างไรเพราะว่าคำว่าแพ้ก็คือแพ้เป็นพระนั่นเองชนะเป็นมารคำว่าแพ้นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้อ่อนแอรหรือว่าเป็นผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญาแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นผู้ฉลาดต่างหาเพราะบัณฑิตแล้วนักปราชญ์แล้วย่อมไม่ทะเลาะวิวาทกัน เรื่องทะเลาะวิวาทนะั้นมันเป็นเรื่องของสุสนัขมากกว่าสังเกตดูสุนัขนี่มักจะเห่ามักจะกัดกันเรื่อยๆแต่บัณฑิตเช่นพระสงองค์เจ้าเรามักจะไม่เห็นท่านทะเลาะวิวาทกันถ้ามีก็แสดงว่าพระสงองค์เจ้าเหล่านั้นขาดความเป็นพระไปแล้วนั่นเองคือไม่มีพระอยู่ภายในใจผู้ที่มีพระอยู่ภายในใจแล้ว ย่อมรู้ว่าการทะเลาะวิวาทนั้นไม่ใช่วิสัยของคนดีไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์ที่จะพึนกระทำนั่นเองเพราะคนเหล่านั้นสามารถพูด ก, กันได้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ยอมรับกันได้ด้วยเหตุด้วยผลไม่จําเป็นที่จะต้องมาทะเลาะวิวาสกันเอาแพ้เอาชนะกันเพราะนักปราชญ์ หรือบัณฑิตนั้นไม่ได้ดูที่การความแพ้หรือความชนะแต่ดูที่ความจริงต่างหาเช่นคนหนึ่งบอกว่าไก่ตัวนี้มีสามขาอีกคนหนึ่งบอกว่าไก่ตัวนี้มีสองขาก็ไปดูมันสิให้รู้ว่ามันมีกี่ขาถ้าเห็นว่าเป็นสองขาก็ยอมรับว่าเป็นสองข า, ถ, าถ้าเห็นว่ามันมีสามขาก็ยอมรับว่ามีสามขา มันก็จบไม่เห็นจะต้องมาทะเลาะวิวาสกันให้เสียเวลาไปแล้วก็ต้องมาโ ก, การธกันเกียดกันต่อไปอีกทำไมนั่นก็เป็นเพราะว่าจิตใจนั้นไม่มีพระไว้คอยกํหลาความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ภายในใจนั้นเองพอมีอะไรมาสกิดให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงแล้วก็ไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งมันได้ ปล่อยให้มันระบายออกมาทางการทางกายและทางวาจาแล้วก็มาสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายให้กับตนเองและกับผู้อื่นทั้งๆที่ผู้อื่นนั้นก็เป็นคนที่ตนเองรักและชอบพอแต่พอเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันสามารถมองข้ามความรักความชื่นชมยินดีในคนต่างๆได้ เพราะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันทำให้ผู้ที่ถูกอำนาจของมันครอบนำเป็นเหมือนกับคนตาบอดมันจะเอาแต่ใจของมันอย่างเดียวจะเอาความจะเอาชนะให้ได้คนอื่นจะถูกจะผิดอย่างไรนั้นไม่สมใจแล้วถ้าเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมานี่คือเรื่องของคนที่ยังไม่มี ที่พึ่งอยู่ภายในใจนั้นเองถ้าไม่มีที่พึ่งอยู่ภายในใจแล้วก็จะเป็นคนที่เรียกว่าโลภโมโ ท, โทสันทำอะไรก็ชอบตามทำตามอารมณ์ของตนเองไม่คิดถึงหัวอกของคนอื่นเขาว่าเขาจะคิดอย่างไรบ้างไม่คิดถึงความผิดถูกดีชั่วว่าเป็นอย่างไรเมื่ออยากจะทาอะไรอยากจะพูดอะไรก็ทำไปพูดไป แล้วเมื่อเกิดผลเสียหายตามมาก็ต้องรับเคาะกรรมไปคนเราที่ต้องไปติดทุกติดตารางก็เพราะความโลภโมโทสันนี้เองคนเราที่ต้องฆ่าตัวตายก็เพราะความโลภโมโทสันสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีอยู่ภายในจิตในใจแล้วมันสามารถหลอกให้คนเรานั้นไปกระทําในสิ่งที่คนธรรมดาบกติ จะไม่กล้าทํากันแต่เมื่อถูกความโลกความโกรธความหลงครอบงาจิตใจคือรู้แก่ความโรคลูกแก่ความโกรธรู้กแก่ความหลงแล้วสามารถทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วเป็นยังไงเมื่อทําไปแล้วผลเสียหายก็ตามมาทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องคอยสอนพวกเรา ให้สร้างสารณะขึ้นมาในจิตในใจของเราสร้างพุทธธรรมสังคะให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราเพราะเมื่อเรามีพุทธธรรมสังคะอยู่ภายในใจแล้วเวลาเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรเราจะมีสิ่งที่คอยกระซิบคอยเตือนเราว่าการกระทาของเรานั้น เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามหรือไม่หรือเป็นไปในทิศทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียถ้าเรามีพุทธธรรมสังขะอยู่ภายในใจแล้วเราจะมีเพื่อนที่ดีนั่นเองเราจะมีกัลยาณมิตรที่จะคอยเตือนเราเสมอไม่ให้เราไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเช่นเวลาที่ เกิดอาการอยากจะมีการทะเลาะเบาะแหวงกับผู้อื่นเราก็จะมีกัลยาณมิตรนี้มาคอยเตือนเรามาห้ามเราว่าการทะเลาะวิวาสกันนั้นไม่ดีไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ไม่ใช่วิสัยของคนดีที่พึงกระทำแต่เป็นวิสัยของเดรัจฉานเช่นสุนัขเป็นต้นเมื่อเรามีกัลยาณมิตรที่มีอยู่ในใจเราคอยเตือนเราแล้ว เราก็สามารถระงับดับความคิดที่อยากจะไปทะเลาะ ว, วิวาทกับผู้อื่นได้นั่นเป็นเพราะว่าเรามีเพื่อนอยู่กับใจเรานั่นเองอยู่ติดกับใจเราพอใจเราคิดอะไรไปในทางที่ไม่ดีเพื่อนที่ดีคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเตือนเราทันทีจะบอกเราทันทีว่าเรากําลังคิดในทางที่ไม่ดี เมื่อมันเป็นเพียงความคิดเวลาจะระงับมันมันก็ง่ายแต่ถ้าปล่อยให้ความคิดนี้มันระบายออกไปกลายเป็นการกระทาแล้วมันก็ยากต่อการที่จะระงับได้อย่างนั้นจึงขอให้เราทั้งทั้งหลายจงให้ความสําคัญต่อการสร้างที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายนั้นเรามีพอเพียงกันทุกคน เพราะว่าทุกวันนี้เราที่อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะเรามีที่พึ่งทางกายอย่างพอเพียงนั่นเองแต่ส่วนที่เราขาดกันมากมากก็คือที่พึ่งทางใจโลกหรือสังคมของเราจึงวุ่นวายกันมีเรื่องกันแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นเดือดร้อนถึงกับจะต้องมีตำรวจมาคอยเป็นกรรมการเดือดร้อน ถึงกับจะต้องมีสารมาไว้ตัดสินนั่นก็เป็นเพราะว่าจิตใจของพวกเรานั้นยังขาดที่พึ่งยังขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าจิตใจของพวกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วรับรองได้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตารวจมาคอยเป็นกรรมการไม่จำเป็นจะต้องมีสารมาเป็นผู้ตัดสินว่าใครถูกใครผิด เพราะทุกคนจะรู้อยู่ในใจของตนว่าอะไรถูกอะไรผิดและทุกคนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบจะไม่มีการสร้างความเดือดร้อนให้กับใครทั้งสิ้นเลยนี่แหละคือสังคมอันประเสริฐสังคมของนักปราชญ์เป็นอย่างนั้นถ้าทุกคนในโลกนี้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจแล้วโลกของเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เราจะไปไหนมาไหนเวลาใดไปคนเดียวหรือไปกี่คนเราก็จะไม่ต้องกวาดวิตกกับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นเพราะว่าจิตใจของคนส่วนใหญ่นั้นไม่มีพระพุทธริธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นกัลยาณมิตรนั่นเองไว้เป็นเพื่อนคอยเตือนสติคอยสอนคอยบอก ว่าอะไรผิดอะไรถูกจึงมักจะทำอะไรไปในทางที่เสื่อมเสียสร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองให้กับสังคมมาตลอดเวลาคุกตารางทุกวันนี้แทบจะไม่พออยู่กันเพราะจิตใจของคนนั้นห่างเหินจากศีลธรรมความดีงามนั้นเองห่างเหินจากวัดจากวากันดังนั้น คนที่เจรจาจึงไม่ควรที่จะมองข้ามการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงค์ด้วยการมาวัดมาวัดแล้วเราก็จะได้กราบพระเราก็จะได้ฟังเทศ์ฟังธรรมแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่ว mm hmm. เมื่อเรารู้แล้วเราก็เอาสิ่งที่เรารู้นี้มาคอยพร่ำสอนใจเราต่ออีกครั้งหนึ่ง เพราะถ้าเราฟังเพียงครั้งเดียวแล้วเราไม่เอามาพร่ำสอนมาเตือนเราอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวพอเราออกจากวัดไปพอมีอะไรมากระทบทำให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่วัดนั้นก็จะหายไปจากจิตจากใจแล้วก็จะไม่สามารถมาระงับความโลภความโกรธความหลง ที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของเราได้แต่ถ้าเราพยายามน้อมเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาใคร้ครวนมาทบทวนมาคิดอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอแล้วเวลาเกิดความโลภความโกรธความหลงหรือความคิดที่อยากจะทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายเราก็จะมีธรรมะไว้คอยเตือนสติเรา เราจะมีกัลยาณมิตรไว้คอยเตือนเราอยู่เสมอดังนั้นเวลาการเวลาฟังเทศฟังธรรมแล้วเรายังต้องน้อมเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังหรือเวลาที่เราอา่านหนังสือธรรมะแล้วเราต้องเอามาคิดต่ออีกทีหนึน่งคิดจนมันเข้า อ, อกเข้าใจถ้ามันเข้า อ, อกเข้าใจแล้วมันก็จะอยู่ติดกับใจของเราไป